ภะคะวะโตอรหะโตสมมาสมปุทธสานโมทัตสาภะคะวะโตอรหะโตสมมาสมปุทธสานโมทัตสาภะคะวะโตอรหะโตสมมาสมปุทธสา พอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาพรหันตาสำมมาสำพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> มาโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิภาวนา <c oughs> การนั่งสมาธินี้ให้ผานการ น, <c oughs> <c oughs> นั่งขัดสมาธ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 หรือเกี่ยวกับสัตว์ซชื้อคานต่างๆที่จะมาทำา้ายมนุษย์มนุษย์มีบ้านเรือนอยู่ก็ป้องกันภัยอันตรายเหล่านั้นได้ส่วนรูปร่างกายของมนุษย์คนเรานี่เป็นเรือนภายในอีกทีหนึ่งทํานให้ชื่อว่ารูปประคันนี้เป็นเรือนใจเป็นที่อยู่ของจิตเป็นที่อยู่ของใจ ดูแต่เราทุกคนมาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่แล้วได้ลูก ป, ประขันได้เลือนใจนี่มาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ให้คิดอ่านภาวานาเพียรเพ่งดูให้ดีการที่เรามาลุ่มหลงมัวเมาอยู่โดยไม่ได้ภาวานาเพียรเพ่งดู ก็เข้าใจว่าเราเป็นคนสวยคนงามเป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรความจริงแล้วลรูปขันตัวตนคนเราไม่ว่าเด็กลนุมแก่ไม่ใช่เป็นของทนทานมันรอวันแตกวันทําลายอยู่ทุกขณะทุกเวลาบางคราวมีเสีย น, น้ำหรือขวากน้ำอะไรมาต่าเข้า มีบาดมือเข้าจะเห็นว่ามีเลือดไหลออกมาสแสดงว่าร่างกายสังขารนี่เต็มไปด้วยพุกโกโลนิและร่างกายที่เรามาอยู่อาศัยนี้ทัานให้ชื่อว่ามีทวานทัางเจ้าคาว่าทวานทางเก้าก็คือตาสองข้างเป็นทวานหูสองข้างก็เป็นทวาน ทวานก็คือว่าเป็นบาดเป็นแผลจมูกปากทวารหนักทวารเบาเรานี่ก็เรียกว่าเป็นบาดแผลเป็นสิ่งที่ไหลเข้าไปก็มีเทออกมาก็มีสแสดงว่าร่างกายสังขารของมนุษย์คนเรานี่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นก้อนอสุภะเป็นของไมงาม แต่จิตใจคนไม่ภาวนาจิตใจภาวนาแต่จิตไม่สงบก็ย่อมขัดข้ามตระพุทธเจ้าอยู่เสมอถ้าหากว่าผู้นั้นภาวนารวมจิตใจของตนให้สงบตั้งมั่นไม่หลงไหลไปตามทิศทีมานะความเห็นผิดนั้น ด้เห็นแจ้งภายในทีเดียวที่ว่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่หม่งามนั่นมันเป็นความจริงแม้มันยังมีชีวิตยอยู่ยังไม่ตายก็ลำบากลาบนด้วยการกินอาหารดื่มน้ำด้วยการนุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสมัยด้วยการมีเสนาสณะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยกุฏิอวิหาร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 สัตนั้นไม่มีการกินยาแต่มนุษย์คนเหล่านี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็กินยาแล้วมีมียุกยาแก่มนุษย์จึงมีอายุยืนยาวกว่าสัตว์เพราะมันมียุกยาแก้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 ได้แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือภัยอันตรายทิบัต์อันตรายต่างๆเกิดจากดินจากน้ำจากไฟจากลมจากคนจากสัตว์ร้ายต่างๆจากไข้วัดไข้ฤดูจากพิดต่างๆที่มันจะทำให้ร่างกายสังขารอันนี้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 ให้ต่างๆที่มาถึงบุคคลมันมีมากมายถ้าไม่ภาว น, นากมา็มักจะเข้าใจว่าตัวเราอยู่ดีสบายแต่ถ้าจิตสงบลงับแล้วความจริงมันไม่ใช่สบายนั่งก็เป็นทุกข์ในเวลานั่งนอนถ้าจ็ดไข้ได้ป่วยเขาให้นอนหมอให้นอนก็ไม่สบายอีก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 ยากยานพาหนานลดลานเหล่านี้มีมากสมัยนี้เขาให้ชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งเรียกว่าติดอันดับหนึ่งความตายจากอุปตขวเวตเพราะว่ายอดยานพาหา น, นั้นไม่ว่าที่ไหนมันมีผู้ชายยอดยานพาหานะนั้นเกิดความประมาทมึนเมา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 อันใดเป็นเหตุแห่งความสุขอันใดเป็นเหตุแห่งความทุกข์จะต้องลู้รอบในจิตใจอันนะั้นแล้วเวลาทำพูดคิดอะไรก็จะต้องอยู่ในความพินิษพิจารณาถ้าไม่มีความพินิษพิจารณาแล้วภัยอันตรายมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงกล่าวไว้ว่ายาได้ประมาตประมาทโทผู้ประมาทย่อมเกิดทุกข์อับประมาโทผู้ไม่ประมาทย่อมเกิดสุขประมาทแล้วเกิดทุกข์ไม่ประมาทเกิดสุขคําว่าสุขให้อันตรายทางกายก็ไม่มี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 คนเราไม่สังวรระวังในการกินเขาว่าเชื่ออาหิวาตากะโลกนะ่ะมันเข้าทางปากมันไม่เข้าทางอื่นเหมือนโล ก, กนันิดอื่นเวลาคนเราบริโภคอาหารน้ำสะอาดน้ำไม่สะอาดก็อย่าไปกินอย่าไปเดิมอาหารการกินก็เหมือนกันต้องดูแลรักษาตัวเองให้รอบคอบ ทำไม่ลอกครอบแล้วลืนเข้าไปเชื่อโลกอาหิวาเข้าไปในท้องในไตแล้วทีนี้มันก็ออกแม่แพ้ลูกอยู่ในลำไส้ก็เกิดเป็นโรคท้องร่วงโรคอาหิวามันคายเข้าไปไม่กี่ชั่วโมงก็ตายกัน นั่นเวลาโรคทายท้อเขาจึงมียาแก้ง่ายๆก็คือว่าให้น้ำฉีดน้ำเกลือเข้าไปให้น้ำคือน้ำในร่างกายมันไหลออกไปหมดเมื่อไม่มีน้ำเพียงพอร่างกายก็ทนอยู่ไม่ได้อันนี้เป็นส่วนธาตุกรรมฐาน้ากรรมฐานนี้ก็เกียวโยงถึง ธรรมกรรมฐานเหมือนกันเพราะว่าชีวิตของคนเราจะตั้งอยู่ได้ก็มีทากรรมฐานสมบูรณ์พูนพอกับเหตุการณ์แล้วจึงได้นั่งภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาฟังธรรมนั่งขัดสมาธิเก็ตได้ถ้าว่าไม่รักษาตัวไม่ละมัดระวัง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 ไม่บากบันพยายามไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เลิกล้มความเพียรครั้งๆ ท, ที่เราได้เข้ามาอยู่ในวัดวาศาสน า, าบรรพชาอุปสมบทในทางพุทธศาสนาแล้วก็รักษาไม่อยู่รักษาไม่ได้ไปเชื่อมานกิเลสเชื่อสังขารมารกิเลสมานมันมายั่วยุ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 เลิกละกีเลสความหลงมันเบาบางหมดสิ้นไปนั่นจนองจึงจกข้ามพ้นวัฏสงสารอันนี้ไปได้เพราะถ้าไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีความรู้ความฉลาดในธรรมะปฏิบัติแล้วไปไม่ได้ไปไม่ถึง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 พูดง่ายๆก็เรียกว่าจูงไปตายดึงไปให้ไปถึงที่ตายเพราะว่าตามันมองไม่เห็นคือจิตไม่ภาวนาท่านสอนให้ภาวนาก็ไม่ตั้งใจเวลาฟังเทศฟังธรรมก็ปล่อยให้ถีนมิทธะความง่วงเหงาเานอนเข้ามาครับผมก็เลยได้แต่ฟังเทศเหงานอนดูละครสาสแย่ ได้เท่านั้นเองจิตใจมันไม่เต้าจิตใจมันลอยลอยก็คือวันหลงหลงไหลไปตามลูกเสียงกลินรสโหพภะธรรมาลมก็คือหลงตาหลงลูกหลงหูหลงเสียงหลงจมูกหลงกิ่นหลงลิ้นหลงรสหลงกายหลงโหตพะหลงใจหลงธรรมอารมณ์ความคิดนึกในใจก็หลง เมื่อมันหลงแล้วมันไม่สงบตั้งมัน่นอยู่ในจิตในใจมันก็มีเป็นมืดใจเบื่ใจไม่แจ้งในโลกพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นโล ก, กวิทูลูแจ้งโลกพระองค์ภาวนาเกียรตกายของพระองค์สงบประงับตั้งมัน่นอยู่ในฐานในจิตในภาวนาในบารามีศิทิประกานบารามีสามสิทธะ ที่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านบำเพ็ญมาสิ่งเหล่านั้นได้แก่ทานการให้การบริจาคศีลรักษากายวาจาจิตให้บริสุทธิ์ส ง, งบหลังับให้มีเนคขัมมะบาลีเรียววาบวด เลิกจากกิจกรรมการงานของคา ร, รวะญาติโยมให้ชื่อวันเนธขัมมะออกบูตรออกบูตรออกจากที่เ ล, เล็กเรวันเนธขัมมะบาลมีปัญญาบาลมีฝึกฝนอบรมให้มีปัญญาปัญญาบาลมีนั้นเป็นสิ่งสําคัญขาดเสียไม่ได้จะต้องฝึกฝึกเอาที่ไหน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 จึงจำเป็นต้องมีวิธีการเดินจมกรมภาวนาบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างนั่งฟังคำคำสั่งสอนบ้างไหว้พระสวดมนต์ฝึกจิตใจนั่นแหละให้มีปัญญาสนใจในการศึกษาทางคำเพราะว่าธรรมะเท่านั้นแหละจะทำให้แจกงพระพุทธเจ้าพระองค์ เป็นโลกวีทูรูแจงโลกรูกแจงธรรมคือจิตใจของพระองค์ตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมั่น้ายมันทำอะไรก็มัน่นวาจาพูดอะไรมันก็มัน่นคงจิตคิดอะไรมันก็มั่นองคือว่าจิตตั้งมั่นนั่นเองจึงมีวิธีการบริกรรมในมิตรบริกรรมภาวนา เพื่อเสริมสร้างปัญญาความฉเฉลียวฉลาดความสามารถอากถามให้เกิดให้มีขึ้นผู้มีปัญญาทันว่าเป็นแสงสว่างนับทิ ป, ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างดวงปทิปักษ์กันมันก็สว่างได้ในทางนอก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 นักิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีในโลกนี้พระพุทธเจ้าพราะอริยเจ้าทั้งหลายท่านฝึกจิตฝึกใจในี่แหละให้มีปัญญาให้เกิดความรู้ความฉลาดไม่ให้เอาลัดเอาเกียบผู้คลผู้ใดเอาชนะกิเลสในใจของตนให้ได้อย่าทำตามอำนาจกิเลส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 เพราะว่าจิตอวิชาตัณหามันย่อมเป็นไปอย่างนั้นมันพาให้เกิดทุกข์พาให้เกิดความเดือดร้อนไม่รู้จักแก้ไขจิตใจของตัวเองให้เป็นไปตามทํานองของธรรมเมื่อรวมแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าอะไรอะไรทั้งหมดนั้นมันมารวมที่จิต จิตอันเดียวนี่แหละเป็นต้นเป็นประธานในตัวคนเราทั้งหมดร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยทำจิตจัดกรรมการงานทางโลกทางธรรมได้ก็อาศัยจิตเป็นใหญ่ใจนี่แหละเป็นใหญ่แต่ว่าถ้าใจมันใหญ่ในโมโหโธโส ฟ, ฟุงซา ล, ลำคาญมันก็ทำแต่สิ่งที่เป็นบาป หายใจนี่แหละไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความหลงเป็นจิตใจอันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นจิตใจที่ไม่อิจฉาพยาบาทขายอนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ให้มีความสุขกายสบายใจทำแต่ความดีทั้งภายในและภายนอกแล้วว่ะ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 คำว่ารู้ในธรรมเข้าใจในธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจะต้องทำจะต้องประกอบแต่ว่าบทย่อท่านก็ว่าให้ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกให้กำหนดรูปนามกายใจของตัวเราเองนี่แหละให้เห็นแจ้งในหลักนิจจังทุกขังอนาตตาเมื่อว่าอย่างนี้มันก็ยอ่อ แปล ว, ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันต้องอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจสงบตั้งมาอยู่ที่ใจตั้งอยู่ที่ใจเอาจิงคนเราถ้าใจเสียแล้วก็เหมือนกับว่ามันเสียไปหมดทุกอย่างทุกประการเหมือนต้นไม้มันเป็นโพรงไม่มีแก่นต้นไม้เป็นโพงไม่มีแก่นมันก็มีจตะตตหัดโค่นลงมาทายเดียว จิตใจคนเราไม่มีภาวนาไม่มีพุทโธในใจไม่มีการตั้งใจให้มั่นคงเหมือนแผ่นดินแนลอะไรอะไรมันก็โค่นไปหมดหลงไปหมดจิตบาปจิตอกุศลภายในมันมาชักชวนให้ไปอย่างไรมันก็ไปตามความไม่รู้ ผู้ปฏิบัติธรรมท่านว่าให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี้ให้รู้ลอกรู้ทั่วรู้ทั่วถึงคำว่ารู้ทั่วถึงมันก็อยู่ที่จิตใจสงบตั้งมั่นเมื่อจิตนี้แหละสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลมันก็รู้ได้รู้ดีรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้รับรู้ช้อนรู้ปล่อยรู้วารู้ไม่ยึดไม่ถือ แต่เ่าวรุ่แจ้งพัะเจ้าตังจํำพอิตมารู้แจ้งอยู่ในจิตในใจในตัวของตัวเองนั่นแหละมันหมดแค่ว่าไปแจ้งที่อืน่นแจ้งอยู่ที่กายเห็นร่างกายนี่ว่ามีชาราพยาธิคอยเดียดเดือนอยู่การมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์สมัยนี้นั้นอายุไม่ถึงร้อยปีเราทุกคนจําใจต้องจากต้องตาย ก่อนร้อยปีด้วยกันทังนั้นอายุร้อยปีนี้ทันวันน้อยนิดเดียวไม่พอกับกิเลสตัณหาในใจมนุษย์เราต้องรีบเร่งภาวนายาไปเห็นแก่หลับแกนอนแก่ความสนุกเฮฮาภายนอกจงตั้งกายวาจาจิตของเราให้อยู่ในความสงบตั้งมั่น ไม่ให้กิเลสโลเลทางตาหูจมูกเล่นกายใจมาทำลายจงเป็นผู้เมิตไใจอันสูงส่งรวบรวมกำลังจิตใจให้สามารถอาฐานยังจิตใจที่ภาวนาพุทธโธภาวนามรณะกรรมฐานอยู่เตือนใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมัน่น เมื่อมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในกายวาจาจิตอยู่ในศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตต์ตลอดกาลแลทุกสิ่งทุกอย่างก็เดินไปในทางที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมถ้าว่าจาิตนี่แลหละขาดสมาธิขาดความตั้งใจมั่นขาดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขาร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 เดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาพุโทโธอยู่นอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนาพุโทโธอยู่ในสิ่งภายนอกแม้มันจะไม่มีอะไรก็ตามมีใจที่ภาวนาพุโทโธอย่างเดียวก็ดีวิเศษกว่าได้สมบัติพัตนฐานต่งตางๆในโลกเพราะว่าสมบัติภายนอกนั้นทัานให้ชื่อว่าโลกียะสมบัติ สมบัติในโลกสมบัติโลกีนี่มันก็เกิดดีบัตไม่เหมือนธรรมสมบัติภาวนาสมบัติบุญกุศลเป็นสมบัติอันนี้ไม่เสียบุญมันหลักษาบุญที่เราภาวนาทำดีทุกอย่างนี่แหละเมื่อเราทำดีได้ทุกอย่างทุกเ ป, ประตาว่ามวนมาก็คือว่าเจตใจดี เมื่อใจดีแล้วอะไรอะไรมันก็ลอยดีไปหมดนั่นกายก็ดีคาว่ากายดีนั่นก็คือว่าความประพฤติทางกายนั้นไม่มีทุกข์ไม่มีโทษมีแต่ความแน่วแน่มั่นคงในจิตใจของตนอยู่ตลอดกาลแล้วว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล ได้ทุกวันคืนเดือนตีชีวิตที่มีอยู่แม้ไม่มากเท่าไรภายในร้อยปีก็เชื่อว่าคนนั้นมีค่ามีราคาคือสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตัวเองจิตใจก็ดีความประพฤติดีอะไรมันดีในใจแล้ว อ, อันชั่วมันก็เลยหายไป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 เราทำความดีเนี่ยภาวนาเดินภาวนายืนภาวนาอันนี้มันเป็นสปะธรรมแพทย์เผาความไม่รู้ให้เกิดความรู้ขึ้นมาแพทย์เผาความดิน้นรนวุ่นวายกระตับกระสายให้หมดไปจากจิตใจนี่เมื่อมีสปะธรรมแพทย์เผากิเลสอยู่และจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในหน้าในตาในชื่อในเทียง ในสิ่งที่ว่าเป็นตัวเราเป็นของเรารู้จักปล่อยวางรู้จักเลือกละรู้จักทำใจให้ห่องใสสะอาดเมื่อให้มีความขุ่นคล้องมองใจใดๆเข้ามาทับถมในหัวใจนี้จิตใจอเนก็ได้ช่วะตั้งขึ้นมาได้ไม่ล่มลุกทุกข์หา ไม่ว่าจะโยที่ไหนไปที่ไหนเมื่อเราตั้งใจได้แล้วก็ได้ชีวภาวนาได้ทุกกะเบียดนิ้วจะแก่ก็ภาวนาได้จะนุมก็ภาวนาได้เป็นเด็กก็ภาวนาได้ดูมนุษย์ครั้งพุทธศาสนาเด็กๆขนาดอายุเจ็ดขวบท่านภาวนาละกิเลสไ ด, เด้เป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคา เป็นได้จนถึงพระอาราหันตากินาจบเพราะอะไรเพราะท่านปฏิบัติท่านภาวนาไม่ใช่มันมันเป็นไปเองไม่มีอะไรมันเป็นไปเองนั้นต้องํามีผู้ประกอบกระทำผู้ทำให้เป็นเหตุเหตุก็คือว่าเราทำเหตุดีไว้เรารักษาศีลของเราไว้เราภาวนาในใจพุทโธในใจไว้ เรามีความตั้งจิตเจตนาดีไว้ในหัวใจตลอดกาลไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศใดวัยใดไม่ว่าเพศหญิงเพศชายมันได้ได้เหมือนเหมือนกันบางคนก็คิดว่าเราเป็นเพศหญิงบวชเป็นพระสิกสุสงไม่ได้ไม่สำคัญในครั้งพุทธกาลสมัยก่อนอนูน ก็เราวาญาติโยมขึ้นฟังธรรมแล้วกาะภาวนาภาวนาละกีเลสได้เหมือนเหมือนกันดูตัวอย่างอย่างว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ไปบวชไปเรียนที่ไหนแต่พระพุทธเจ้าของเราไปบวชเรียนเขียนอ่านภาวนาทําความเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เสด็จมาโปรดพุทธบิดาพระประยุลยาาทุกคนก็ตั้งใจทำดีด้วยกันถงนัานผลที่สุดพุทธบิดาก็ได้สาเร็จเป็นพระโสดาพระสกิธาคาพระอนาคาพระอระหันตาสุดท้ายเลยทีเดียวท่านก็ไม่ได้เอากายไปร่างกายนี้มันเป็นรูปล่างกายรูปขันฑ์ ตายแล้วก็อยู่ในโลกนี่แหละยังไม่ตายก็อยู่ในโลกนี้ทำเอาจิตใจนั้นตาน่างจิตใจของใสสะอาดจิตใจมั่นคงในทางในทิศในภาวนาจิตใจมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าคุณคตธรรมคุณระสงมมีทัทนาความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาอันมั่นคงหนักแน่น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 จิตใจก็เรียกว่าเจริญก้าวหน้าไปสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าการปฏิบัติภาวนาเป็นสาวกของสัพพิติเจ้านั่นมันขึ้นกับการละกิเลสละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงละกิเลสราคภละกิเลสโทสะละกิเลสโมหะ ด้วยการภาวนาทำใจให้สงบตั้งมัน่นให้เป็นจิตใจอันเกิดความหมัน่นความขยันคันแข็งขึ้นมาในใจิตใจเมื่อจิตใจมีความหมัน่นขยันมีความเพียรอันโลกร่างกายนั้นใจดีมันดีไปหมดใจมีความเพียรร่างกายมันก็มีความเพียรมือเท้าอาวัยวะร่างกายทุกอย่างมันก็มีความเพียรไปตามจิต อันความเพียร น, นี้ท่านว่าเป็นจิตที่เราทุกคนจะต้องทําผู้จะภาวนาได้ก็ต้องอาศัยความเพียรท่านจึงกล่าวได้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจ ต, ติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรคนเราเมื่อมีอความเพียรความหมันความขยันขันแข็งไม่ทอแค่อ่อนแอในหัวใจแล้วทุกคนก็ยอ่อมเป็นไปเพื่อความจเจริญ งอกงามในทางพุทธศาสนาดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยกาลชวลานี้ <c oughs> ทรัพีจะเห็นกล้องในหลักอัิจิ่งทุกขังอนัตตาทัพีได้เห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแต่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ จะได้รวรวมกำลังจุดกำลังใจภายในเลยให้มีพละกำลังความสามา่อสาดฐานถามตมออกจากหลมถอมตนออกจากที่คุมขังเหมือนกระทางตัวมันใหญ่ตกหลังในหลุมนันพยายามทั้งเท้าทั้งต่วและงนวงงาน ช่อยพยมตัวเองให้ต้นเมื่อกำลังแรงพอก็ทต้นลนะถ้ากำลังแรงไม่อพอก็จมลงไปในบินฉันได้ผู้ไม่นั่งภาวนาไม่ปฏิบัติบู่าก็คอยจมลงไปในโลกในสมมุติมียมต่างๆเวลานั่งภาวนาเมื่อเราหลับตาแล้วตาใจไม่ไบ้กละ เมื่อตาใจมือเลือนเดินเต็มชื่อว่าอะไรมันเกิดอะไรมันแก่อะไรมันเกิดอะไรมันตายภาพบินภาพน้ำภาพใจภาพลมมันแตกมันเกิดมันเข้ามันตายใจเรายาได้ยันไหลสั่นเตือนจองเต็มคู่พินุษพิจารณาให้เตือนเครองขับเคลื่นภายในใจของตัวเอง ยาปลายให้อำ น, นาจกายตามเข้ามาทับผมดวงใจจงเต็มผู้มือศตรูความบรปฤิได้ในวัชย์ใอยู่เสมอไม่ว่าร่างกายจานะก็ให้มือศะติูภาวนาอยู่พุโทโธในใจหรือที่จรณาอันใดในร่างกายสังขารนี้ก็เป็นอุบาย ภาวนาทําใจให้สงบระงับได้ทุกอย่างทุกเรื่องแต่ถ้าไม่ตั้งใจจริงไม่ทําจริงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าตั้งใจลงไปจริงๆแล้วภายในไม่ไมรู้มันมีโยในตัวมีโยในกายมีโยในใจิต ใ, ในใจยังว่าความทุกความเจ็บไข่ในตัวมันดังเกิดมีขึ้นในร่างกายจิดโยภายในย่อมรู้ เวลามันเกิดปวดทุกขเวทนาโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีเพิ่มตัวเองก็ไม่ต่อการไม่ตักชนะแต่มันก็บอกไม่ได้มันก็ว่าไม่ฟังมันไม่ได้ฟังหาเสียงของใครนับตั้งใจมันเกิดมาแล้วความแก่ความชราดมันมือยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุด มันหนุนไปตามวาระของโลกประคันอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปความเกิดข้าวในตัวนั้นก็เกิดมีขึ้นในตัวนี้เมื่อผู้ใดาอายุกั้นก็ตายแต่เลิศแต่น้อยแต่หนุบบางคนก็ถึงวัยแก่วัยชราแตกดับตายตายก็มี บางคำก็ในวัแบบยเด็กวัยหนุม่มนี่แหละมันตายได้เหมือนกันเนื่อเป็นเส่นนี้ทำเช่งแบบงม้ให้เลือกการเวลาว่าเรายังเด็กยังหนุ่มให้เลือกทำให้เลือกภาวนาเอาให้มันสบาย อ, อกสบายใจยเพื่อเกาะไม่ต้องไปลอให้แกฆ่าให้เด็กไข้เลือให้ถึงวันตายถึงวันนั้นมันจะเอาไม่ไหว ต้องทำก่อนปฏิบัตรก่อนกำลังกายยังดูกำลังความชิดความลึกกำลังภาวนาพุทโธในใจอย่างแข็งแรงอยู่ก็ให้ตั้งใจตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปชุดใจเราจะไม่ย่อท้อในการภาวนาทาความเพยียรละสีเลจงเห็นแจ้งว่าอะไรก็ตาม ถ้าเอามากันหมดภาวนาจริงๆแล้วมันเป็นอุบายภาวนาทําความเพียนให้สงบระงับได้ให้เห็นแจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติได้ทุกอย่างทุกเ ร, รื่งจึงเชื่อว่าถ้าทำคำสอนของะตุติเจ้านั้นตัดเบือนผู้ปฏิบัติอยู่ทุกเรหลัง ท่นเสด็จนทุกข์ก็แดงอยู่ท่านเส็จนทุกข์ก็แดงอยู่ท่านตายเป็นทุกข์ก็แสดงให้ตาตัดอยู่แม้ตัวเราในตายทุกคลตูวอื่นตัดตื่นก็ตายให้เราถึงเมื่อเห็นแล้วท่าก็ให้โอปันนะอยู่กับท่านน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งให้มั่นในดวงจิตดวงใจนี้ในร่างกายของเราทุกคน นับกังแต่เจอาผมโลมาขนาขาเล็ดทมตาฝันตัดโยนังมังสังเมื่อนาะฮารูเอนอติกะโดกอติมินทางเยื่อในกระโดกตับไปใกล้โคงทุกส่วนในร่างกายของแต่ละบุคคลื่วงแล้วจะเป็นตุมายทำเตือนเอาใจให้สงบหลังงับลงไปก็จะรู้จะเข้าใจ ภาในจิตใจของคนเราทุกคนไม่ต้องสงสัยฉันั้นเราต้องรวมกําลังสงบจิตใจให้มั่นคลงลงไปในหัวใจแล้วไม่ต้องไปรอวันนั้นเวลานี้เยาวัฒหลักปัจจุบันหลักปัจจุบันถ้าเราทุกคนภาวนาลมรวมจิตลงใจในปัจจุบันแล้วที่ไหนก็ได้ นั่งอยู่ที่ไหนปัจจุันในที่นั้นนั้นมีหยุก่อนภาวนานึกเงา อ, อยู่ในร่างกายมองให้เห็นชลาพยาธุมลณะนะในร่างกายของตัวเองในบุคคลทุกคนแรกเริ่มเดิมคือคนเราเกิดมาไม่ใช่แบบใหญ่ขึ้นมาอย่างที่เราเห็นในเรื่องมาจากเล็ ก, เ ล, ก, เ, ลกเล็กนิดหน่อย มันก็จะเลื่อขึ้ น, นจะเลื่อขึ้ น, นท่านจึงเตือนได้ว่าถ้าสิ่งใดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องดับไปนะไม่เปนซื่อไม่เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเรากตัณฑ์ตามดือดจนเห็นแก้มภายในจิตใจว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องเป็นไปเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ตลอด เทวดาจุดบาปทั้งหลายเมื่อมาเห็นแจ้งภายในจิตใจด้วยสติปัญญาของตัวเองนั่นแหละจะเจอธรรมะิจิตมินดอในธรรมที่ตนได้ภาวนาไม่มีความทอดถอยคนที่มีความทอดแค่อมแอะทอดถอยนั้นเพียงไม่ภาวนาจิตใจไม่สงบจิตใจไม่ห ย, ยุดจิตใจไม่โยเมื่อใจของเราไม่หยดุดไม่โย ไม่รู้ในกายในจิตมันก็ออกไปรู้ภายนอกเ่ินมากมันก็ไปขัดไปเือนเหนือแต่ตุเกินนินทาว่าไลาป้ายช่วให้แต่จนว่าให้แต่ตัดบ้าให้แต่ท่นนงงงงทองค้าอากาศแต่แล้วเน่าเหรนธรรมไม่เข้าใจในธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัตินั้นเป่นธรรมที่เป็นปัจจุบันเอว่า เอาใจของเรามาตั้งในขนาดนั้นฤฤทุกขณะาดใจจงเอืมนอกจากจุดใจอันเป็นโยมือโยในปัจจุบันนี้ให้เราวางราวางอะไรเราวางน้ำจะออกลู่ไหลไปตามสังขารมานที่เลิศนานในหัวใจเพราว่าใจเมื่อมันออกไปข้างนอกแล้วมันสบายมันก็สบายที่มันสบายตามอำนาจที่เลิศ มันโต้ความสบายภายในไม่ได้ถ้าเรามาลวนมาสงบเท่งเดิในร่างกายสังขารของคนเรา ท, ทุกคนไม่มีสิใดจะเชี่ยงแท่แนนอนย่อนยูเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลสารพยาพุทธมลณะนะนั้นมันคอยสะแบงอยู่เสมอ เพราะนั้นคือภาวนาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าไม่ว่าเราจะภาวนาบดใดขอด้อใดก็าตามแต่ท่าต้องนึกต้องจเจริญให้มันขัดลื่นึกภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจถ้านึกื้อทุกลงหายใจแล้วจิตไม่สงบจิตไม่สบายก็จัสะงบสบายขึ้นมา แต่ถ้ามันห่าง ไ, ไน่มดไม่เจริญเมกดำไม่เด็กคิดถึงความแตกความเฉียดความไข้ความตายของอตัวเองตั้งแต่เกิดนานไม่เด็กคิดถึงความทับทากแดดตับแดดขลังขามทั้งหลายจิตใจมันก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อใจไม่รู้ไม่เข้าใจใจมันก็เลงเวียนเวียนอยู่อย่างนี้แหละ ผู้บรรพชนภาวนายาได้มีความเฉลียวถอยจนลดเพิ่มเตินขึ้นมโยนหยับต่อซื้อในสิเลส ข, ของตัวเองเอาชนะสิเลส ข, ของตัวเองได้เราจะชนะคนอื่นตั้งหมื่นแสนต่อโต้ชนะใจของตัวเอง ไ, ได้เราชนะสิตใจของเราภายในนได้แล้วชนะข้งโลก โดปราพุทธเจ้าของเราพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านภาวนาปรับบวมหวงอะไรกือเริกปัญหาในจิตใจของท่านได้แม้ว่าเอาชนะใจของตัวเองได้ก็ชนะคนทั้งโลกเหมือนกันท่านเิให้ภาวนาโยตุกลมหายจัก เขาก็ตามออกก็ตามจุดใจเดินสี่เล่มีโยที่นี้ไม่ได้มีโยที่อิ่นเมื่อเพื่มากำหนดพิจารณาจนแจ้งในจิตในใจแล้วมันก็ค่อยถอนค่อยปล่อยค่อยวางออกไปโดยลําดับไมว่าอะไรมันค่อยทำค่อยปฏิบัติไปมันก็ค่อยรู้ค่อยเข้าใจไปแต่เรงเหล่านั้น มันอยากเลยเกินไปที่เไม่ตั้งใจให้มั่นคงภายในใจิตใจเพาเลยเข้าใจว่าทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ให้ฟังที่เราว่าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ น, นั่นเนี่ถ้าเราตั้งความเกินความมันความขยันลงไปในหัวใจทําได้ปฏิบัติได้ทุกท่อนแล้วว่าก็ทําทอยู่ในคําสอนของจักรพุทธเจ้านี่ ใ่มือใครยึดไว้ได้ต้นธรรมประจำยูยในพุทธศาสนาผู้ใดน้อมนำมาปฏิบัติดูชาธรระกาะยาจิตทั้งเตมให้บริสุทธิ์ของใสได้ทุกทุกคนและทำทำ พ, พระทานคำสอนของปัจเจิเจ้าในวัดพัดทำดีนายในโดยเลือกท่านวันนะทำเราจะเกิดในสมมติท่านอะไรก็ตาม หาตั้งใจประคฤติปฏิบัติชอก็เป็นทางให้หล um, ุดให้พ้นได้ทางนั้นแหละจับมือก็ตามชมก็ตามกางภาวนาปฏิบัติบูชาเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องพิเศไม่เหมือนวัตถุเข้าของทัดย์สิเงินทองภายนอกเราต้องลงมือปฏิบัติ ดวงจิตดวงใจมในจิตภาวนาพุทโธเอาให้ม e so ันแน่วแน่มั่นครงในหัวใจเมื่อจิตใจตั้งนั่นลงใจจริงๆแล้วสึงที่ยากมันกลายเป็นง่ายขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นว่าทําไม่ได้ตัดสุดตัดไม่ได้ถ้าไม่ชอถอยมันต้องได้บางคนก็กลัวเน็ตกลัวเมืัวเมื่อยกลัวหิวกลัวเต็มกลัวตาย ถ้าเรามาพุทธเหพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าท่างตาลบความเพียรทรมานจอมกระช่างระยังเหลือแต่หนังหุ้นกระดุกนั้นจงไม่ตาจนได้ศาสตร์สรุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก ถาหาว่าใครปฏิบัติดูปัจิบัตชอบและตายเอาตายเอาอยัางไม่ได้บรรลุมรรคผลก็ไม่มีผู้ใดได้บรรลุมรรคผลส่วนี้พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านได้บรรลุมรรคผลัฏิรูปธัรมแต่ท่านไม่ตัวตายท่านภ า, าวนาในจิตในใจของท่านมืความสามว่าถามโดยภายในจิตใจตนเองไม่ทำท่านก็ทำ คนอื่นไม่จมทนทานท่านก็จำทนทานคนอืนไม่รักษาสูนท่านก็รักษาสูนภาวนาผมคือสั